นอนหลับขาดสติสัมปชัญญะมีโทษ5อย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุที่จำวัดหลับขาดสติสัมปชัญญะมีโทษ5อย่างคือ 1. หลับเป็นทุกข์ 2. ตื่นเป็นทุกข์ 3. เห็นความฝันเลวทราม 4. เทวดาไม่รักษา 5. น้ำอสุจิเคลื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่จำวัดหลับขาสติสัมปชัญญะมีโทษห้าอย่างนี้แล